พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่สิบหกเจโตขีละสูตรสูตรว่าด้วยกิเลสที่เปรียบเหมือนต่อของจิตพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตะวนารามทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องที่ว่าถ้าภิกษุยังละกิเลสที่เปรียบเหมือนต่อของจิตคือเจโตขีละห้าประการ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 สงสัยในพระศาสดาสองสงสัยในพระธรรมสามสงสัยในพระสงฆ์สี่สงสัยในสิกขาคือข้อที่จะต้องศึกษาคือศีลสมาธิปัญญาห้าโกรธเคืองในเพื่อนปรมจารีเมื่อมีความสงสัยหรือความโกรธเคืองข้อใดข้อหนึ่งนี้แล้ว จิตก็ไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องผูกมัดจิต5แล้วส่งแสดงกิเลสที่เปรียบเหมือนเครื่องผูกมัดจิต5ประการคือ1ไม่ปราศจากความกําหนัดพอใจรักใคร่ในกาม 2. ไม่ปราศจากความกําหนัดพอใจรักใคร่ในกาย 3.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 ในพระธรรมวินัยนี้ทรงแสดงภิกษุผู้ประกอบด้วยอิทธิบาทคือคุณธรรมที่ให้ถึงความสำเร็จสี่ประการคือหนึ่งพอใจ 2. เพียร 3. คิดสไตรตรองพร้อมทั้งมีความกระตือรือร้อนเป็นที่ห้ารวมเป็นมีคุณธรรมส5้าอย่าง